ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เรื่องพระโบธิญาณใ น, นวันนี้ก็คงเข้าเรื่องการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งในการต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าของเราก็ดออี ก, ก็ขอให้มองย้อนกลับไปสู่ประเภทของศาสน า, า, าที่ประกบไว้ในตอนต้น คือศาสนาในโลกนั้นจะเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วแระศาสนาที่มีชีวิตอยู่กระทมโสรุปแล้วก็ออกเป็นสองประเภทประเภทเทวนิยมนั้นตัวศาสดาจะมีฐานะคล้ายๆเป็นทูตจากสวงสวรรค์หรือว่าเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า ท่านนั้นสอนมาจา ก, จากองค์การของสวรรค์ไม่ใช่เป็นความรู้ความสามารถส่วนตัวท่านเองแต่ท่านรับพระบัญชามาจากสวรรค์อีกทีหนึ่งแล้วก็มาถ่ายทอดแก่มนุษย์คนศาสนิกในศาสนานั้นๆจะต้องให้ความเคารพและไปเห็นความสำคัญของพระคมภีเพราะไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ค่อยชัดเจนอย่างในศาสนาฮินดูตอนนั้นดั้งเดินจริงๆก็บอกว่าคำพีรุธนั้นถ่ายทอดมาจากมารือสีเจ็ดตนด้วยกันแต่ก็ศึกษาไปแล้วก็หาตัวตนในประวัติศาสตร์ไม่ได้พระพุทธศาสนากัศาสนาเชนมีลักษณะเป็นอเทวนิยม คือไม่ยอมรับอำนาจสูงสุดของพระเจ้าูุสานแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความมีอยู่ของเทวดาในชั้นต่างๆในฐานะที่เป็นชีวิตซึ่งเกิดขึ้นด้วยกระแสของบาปบุญมากน้อยแตกต่างกันก็เป็นตัวจำแนกแบ่แงแยกให้ท่านคนเหล่านั้นแตกต่างกันศา ส, สนาเชนถึงแม้จะเป็นอาเทวนิยมแต่ก็หนักไปในด้านของการทรมานตัวเอง มีการแบ่งคล้ายๆกับของเราแต่ไม่เชิงเพราะว่าจะมีการสืบต่อก็เรียกวติระถังก่อนหมายความอาองต้นเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อรัศพเทศเนี่ยแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายที่ศาสนายังเผยแผ่อยู่ในปัจจุบันเราคือท่านวัตมาและท่านมหาวีราเนี่ยก็ถ่ายทอดกันมา แล้วต่อกันมาแต่ว่าแต่ละองค์มันห่างกันเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่เคยศึกษารยายละเอียดเพราะว่าสถาบันศึกษาเรื่องศาสนาเชนในปัจจุบันเนี่ยมันก็ใหญ่เอกสารตหรัาตำมาก็เยอะแต่ว่าเอาของพูดไปก็เยอะนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเดียดตลอดถึงเธอเป็นเรื่องแปลกเป็นศาสนาที่ต้รำมาร่างกายรูปชีเปือยทั้งหลายนะคะ ก็นิโครนครแล้วก็นิคันธีก็แสดงว่ามีนักบวชผู้หญิงมีนักบวชผู้ชายแต่ก็แ บ, บ่งเป็นสองประเภทนะนุ่งลมผมฟ้ากับนุ่งผ้าขาวถ้าตอนนี้จะเนันหนักไปในร่างการทรมานร่างกายแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่อยู่ในอินเดียได้ตลอดศาสนาพุทธได้สั่งไปที่หายไปจากอินเดียทั้งแปดร้อยปีถึย้อนกลับไปเมื่อ ตงรงก็สมัยรัชกาลที่ที่ห้าของเรานียครับทำไมเราถือว่าเป็นลูกทองทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้รู้เฟื้องขึ้นที่ลังกาแล้วก็ที่ประเทศอินเดียในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็มีสมเด็จพระมหาสมาเจา้ากรมพยาวิชาน ร, รถดเกิดขึ้น เลาก็มาเรืร่อพื้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางศา ส, สนาให้แพร่หลายสื่ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนานั้นที่จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสรู้เรื่องเดียวกันคือเรื่องอริยสัจด้วยกันแต่ไม่ใช่มีลักษณะสืบต่อคือหมายความมาคาสอนของพระเจ้าพระองค์ก่อนนั้นหายไปจากโลกนานแสนนานคนไม่ รู้กระบวนการเรียสัต์ครบทั้งสี่ประการเรื่องทุกเกิดเหตุเกิดของทุกนั่นะทัน้งขอพบรู้กันนะฮะแต่ว่าเอาไปจริงก็จะสับสนในตัวเหตุตว่เหตุนั้มาจากอะไรกันแน่ก็มีการอธิบายมาจากสิ่งสูงสุดบ้างมาจากกรําเก่าวบ้างมาจากเรื่องบังเอิญเปต้นบ้างก็ว่ากันไป แล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะมาจัดสัตสรุปและการของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นรูปผูกขาดคือตำแหน่งการเป็นพระพุทธเจ้านั้นที่จริงก็เปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนสามารถบำเพ็ญเพียรแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่คนเราจะมีความจำกัดในตัวเขาเองก็ทํานองในใคล้ายๆกับการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยที่จริงก็เปิดโอกาสให้คนจบปริญญายเอกได้นะก็ไม่ได้ห้ามใครเลย แต่ว่าคนเราจะมีความจำกัดในตัวเขาเองแล้วก็ถึงจุดหนึ่งปริยาเอกในเมืองไทยเราก็มียังไม่ถึงห้าพันคนก็ประมาณสักสามพันกว่ากว่าเท่านั้นเองตัวเล็กตัวเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะฮะแต่สะดุดไปเห็นว่าโอกาสตอมันเปิดแต่ว่าคนเราจะมีความจำกัดในตัวของเราเองทำให้เราไม่สามารถที่จะ ไปสู่จุดหมายปลายทางได้แปลว่าในเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราแต่ว่าเราเองนั้นจะปิดกั้นตัวเราเองเพราะความจด็กัดในส่วนตัวเพราะใ น, นความคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้เยอะไปหมดเลยและในที่สุดก็เจ้าจางหายไปอัตมายังงองภาพเหมือนกับคนวิ่งแข่งมาราธอน น, น, นะครับคือตอนลงสนามนก็คิดว่าตัวเองวิ่งได้ แล้วพอวิ่งไปเจออุปสรรคเจอความเหน็ดเหนื่อยเจอปวดเมื่อยขึ้นมาสู้ไม่ไหวแล้วก็ถอยออกไปเรื่อยๆไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่คนเดียวแั่นี่ตอนนั้นก็จะเป็นที่สองที่สามไปเพราะในการตั้งความปรารถนาเป็นรูปเด็ดยาแม้จะเปิดโอกาสแต่เหมือนกับจํากัดเพราะอะไรเพราะว่าคนจะมีความจํากัดในตัวเขาเอง ทำไห้โอกาสที่จะเกิดพระพุทธเจ้าก็มีได้น้อยดังนั้นในระหว่างที่ว่างศาสนาเนี่ยมันจะมีคนสองประเภทที่ว่าเหนือคนอื่นในด้านคุณธรรมก็คือกลประเภทหนึ่งเขาเรียกปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สร้างสมบกสบรณ์บารมีมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าใช้ช่วงเวลาน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็ไปมองอะไรก็ได้มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏในพระบา ล, ลีของเราในอุตกปาปาถะก็เรียกว่าคค า, าวิศาณสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคลกี่เป็นผู้เดียวเที่ยวไปมันหน่อแรงหมายความว่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนสองคนขึ้นไป ให้ปรีขาความสงบพัฒนาในด้านจิตใจของตัวเองเมื่อนอแรกนะฮะแรกก็มีนอเดียวเขาบอกว่าแรกสองนอเก็มีนะยังไม่เคยเห็นแต่สรุปว่าก็เป็นเป็นการสอนให้คนพยายามที่จะหาความสงบให้เกิดขึ้นไปในจิตใจตัวเองเดยวไปยังให้ฟังสองสององนะฮะมันเป็นความคิดที่น่าถึงมากแล้วก็ทั้งคู่เป็นกษัตริย์ทั้งคู่ พระบาเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั้นเป็นกษัตริย์แล้วก็สเสด็จเดินภายในวังนั่นเองก็ไปเจอานางถัดสีเขาซักผ้าเขามีกําไลมือด้านละอันแต่จะได้ผลอะไรก็ไม่ทราบแหละคือท่านดึงกําไล ม, มือจากมือหนึ่งไปใส่อีกมือหนึ่ง โดยมีหนึ่ง เ, เวลาเขาก็ยี่ผ้าสักผ้ามันก็ไม่ก็กระทบกันก้องแกงก้องแก่งก้องก่งกนางตลอดระยะอะไรเลย <S <S ถ้ามียืนดูท่านก็คิดไปิดไปนา ว, ว่าเออมนุษย์เราเนี่ยเนาะถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้ามีปัญหาก็ปัญหาในส่วนตัวก็เกิดขึ้นไปในจิตใจก็แก้กกไขได้แต่ถ้าเริ่มสองเลยยุ่งปฏิกันเหมือนกัน ก, กระทบกองกํบนายเนี่ยมันเพราะว่ามีสองอัน ถ้ามีอันเดียวก็จะไม่กระทบกันแต่๋ยวท่านเป็นกสาสตร์ท่านมีเยอะกว่านั้นพฟอนแรงกระแทกกระทบกับทั่งกระทั่งมันเยอะตัวเกิดทั้งภายหน้าทั้งภายในทั้งราชภายระมุมกว้างมุ ม, มแคบเส น, นาข้าราชการเรื่องมันเยอะเล็งสุดก็ยืนพิจารณาจนเกิดเบื่อหน่ายคายกับนั้นบรรลุ ป, ปเจกปฏิยานตรงนั้นหรือเป็นบรรลุปเจกปฏธเจ้าตรงนั้น โคนเอลานี้เขาเรียกว่ามีบารบมีมันคิดจากอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นว่าต้องมีรูปแบบต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้ น, น, นแต่สิ่งที่นํามาคิดมันก็ไม่อื่นไปจากเรื่องของรูปรามหมายความว่าสิ่งที่เราสัมผัสโ ด, ดยตาหูจมูกลิ้นกายหรือสิ่งที่ ร, รู้ด้วยใจนั่นเองก็ไม่เอื่มไปจากนั้นพระประเจกับพำหนดเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเป็นกษัตริย์เหมือนการเสด็จเรียบพระนคร แล้วก็ผ่านพระจาชอุทยานหลวงซึ่งข้มคนมให้เก็บผลไมใ้ในอุทยานหลวงท่านประทับบนหลังช้างช้างมันก็ลออต้นมะม่วงก็ไปเจอผลมะม่วงเยอะตอนจะนึกอะไรขึ้นมาก็ไปสากท่านก็ไปหยิบปลิกผลมะม่วงออกมาแต่ในที่สุด เ, เ, เมื่อาบวนเสด็จเลยไปเนี่ยประชาชนก็เห็นว่าปราชาเก็บได้คนหนึ่งคนเก็บได้ก็เลยเก็บกันใหญ่กิง่งเกลื่อหักเป็ น, นเรนระนาั้งหมดเลยพอตอนเสด็จกลับเนี่ยท่านก็สอบถามทราบความแล้วก็ได้ความคิดไม่ได้กื้โกรธนะฮะมันแต่ได้ความคิดโดยการที่มั่วม่งเหล่านี้มันถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายจนกิ่งหักใ บ, บหลน่นร่วงลงมาเป็นอันมากเนี่ยก็เก็ดมี เพราะในความมีที่กลายเป็นตัวปัญหาที่บุงปัญหาเข้ามาแล้วก็มองไปที่มะม่วงอีกต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลไม่มีใครไปแตะต้องยืนเด่นสง่าอยู่ได้โดยไม่บุบสลายอะไรเลยและในที่สุดก็มองถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์บวาเมเด่นช่มกันอยู่ที่พระองค์มี ทำให้ปหัญหาต่างๆมารุมมาตุ้มเกิดขึ้นแก่พระองค์ล้วที่สุดก็ทรงพิจารณาแล้วก็เกิดเบนาร์ชีวิตมันกลายเป็นวงจรที่หาจุดจบไม่ได้มันมีแต่เรื่องยุ่งมันมีแต่ราษฎรภรมมรมันมีแต่เรื่องจะต้องคิดจะต้องทำจะต้องมิตกกังวลจะต้องกระตุ้มจะต้องหวาดระแวงที่เราเรียกกันในตอนหลังว่าทุกข์กระ ในสุดก็สนทิจนากิ่งมะม่วงนั่นเองลูกเกิดขึ้นแก่ต้นมะม่วงแล้วก็ทำลายต้นมะม่วงทร ง, ง, งมองไปเรื่องดื้อ ด, ด, ดุดําดับและในที่สุดก็เกิดบัญหาคลายกําหนัดในโลกจเจริญมีปร ส, สนาเหมือนกันนะนะฮะเจริญมีปรสนานี่จะ เ, สสเหมนกันมารุปเจกับโพธิญาณก็เป็นรูปเดียวกั แต่พระประ เ, ระเจกัพุะไตร้าเนี่ยท่านไม่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาคําสอนก็ท่านไม่ยาวคือสอนสั้นๆไม่ใช่สอนไม่ได้นะคือสอนแต่ว่าสอนสั้นๆแล้วก็มีกฎเกณฑ์ระเบียบความผูกพันอะไรเร า, าศาสดนาท่านก็จะอยู่ในป่าก็คงจะไปยิมาพานนะฮะบอกภูเขาขันทบ้าน แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเกิดพวกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือท่านที่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นเป็นคนดีเป็นสัตว์บุรุษแล้วก็เหนือกว่าคนในยุคเหล่านั้นเป็นอันมากโดยเฉพาะในด้านคุณธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระอง m ์นนจะเริ่มต้นมาจากตรงนี้แต่การเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเริ่มเริ่ ม, มง่ายๆนะ โดอถ้าเรามองประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยยุครัชการที่สามคนไทยไมียมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันมากจนถึงกับบางคนมีคนหนึ่งเคยอ่านประวัติศาสตร์เจอชื่อในเรื่องอภ้าจุะมันเผาตัวเองจุบบูชาปรารตนาตราที่หน้าโบสถ์วัดอรุณราชวราราม ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันแย่แต่ในที่สุดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงศึกษาคนา้นคว้าและก็ทรงเชื่เห็นว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ปรารถนาเพียงอรหัตภูมิไเยอะแล้วมันก็ปรรลุมรรคผเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นศาสดาแต่นั้นเอง ความคิดทางสังคมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาต่อยุคหลังก็คือพระจันทร์มั่นกษัตริย์จะให้เหตุผลชี้แจงแก่คนทั้งหลายซึ่งปรารถนาเป็นพระปฏิเสกพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าบา ง, าบางมันนานเลยนะเพราะถ้าเราดูระยะการสร้างบา ร, รมีเวลาอย่างเรพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบา ร, รมีสี่แสนนั้นสมไข่กับกำไรแสนกับ นับแต่วันที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนานไกลนั้นแต่พระประเจ้าพระพุทธเจ้านั้นจะสร้างแค่สองแสนอสมไขกับกระไมแสกับพระมหาสาวกจะรองลงมาพระอาหารหันต์ทั่วไปนี่จะสร้างบารมีแค่หนึนอาสมไขกระแสนับกับแต่นั่นเองเพราะเราเห็นว่าลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งเลย กิเลสหมดเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานภาพไม่เหมือนกันแล้วก็ประโยชน์ที่โลกจะได้รับจากการเป็นพระพุทธเจ้าประเสพระพุทธเจ้าพระอารหันตสาวกนั้นไม่เหมือนกันคนจะรับจากพระพุทธเจ้ามากแต่ว่าคนที่จะอยู่ในจุดนี้จิตใจไม่ใช่ธรรมดาใจธรรมดาเป็นไม่ได้หรอกมันมันทวนกระแสะเยอะเลยทวนกระแสะกิเลสทวนกระแสะอารมณ์ พยายามปฏิบัติพัฒนาจิตใจขึ้นไปจนมีความสงบประณีตขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะน่าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยกว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องตั้งความปรารถนามันเรานเริ่มตั้งแต่ความปรารถนาในใจก่อนคือเกิดพอใจชอบใจได้ ฟังข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าก็ดีได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีในสังสารวัตรในยาวนานเนี่ยมันเกิดความพอใจในการเป็นพระพุทธเจา้าเขาบอกว่าเวลาอย่างเนี้ยเวลาที่มันเกิดความรู้สึกภายในใจอยากเป็นพระพุทธเจา้าพอใจการเป็นพระพุทธจเจ้าถ้าบอกว่าอย่างน้อยนะถึงเจ็ดอสมัยไม่ธรรมาดาเสียเวลาถเจ็ดอสมัย รักษาความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้ทุกพบทุกชาติพอเราสังเกตการรักษาดับจิตเราเอาไว้เนี่ยรักษาไม่ได้ง่ายคนระับมันมีอประรคมีอันตรายมีสิ่งกระตุ้มเร่งเราเชตนสมมติเรารักใครเนี่ยอายุดน ย, ยาวไปโดยไม่ได้ตรวเข้าเลยเนี่ยหายากไหมแล้วก็มีแต่ปริมาณความรักความเสียสละการทุ่มเทเพื่อควรี่เรารักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ย จะยิ่งน้อยยงไปโดย ล, ลําดับถ้านเป็นการแสดงเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งรักษาความรู้สึกผูกพันอยู่ภายในใจอยากจะเป็นพระพุทธเจา้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้าแต่ไม่กล้าพูดเลยนะฮะปรารถนาภายในใจเฉย ๆ, ๆแล้วท่านก็ทําท่านได้รักษามาอย่างนเจ็ดเจ็ดอสงไขยอสงไข่นี้เท่าไหร่เจ็อสงไขยนี่มันนับกันไม่หวตรงนี้นอสังขยะไปหอ<ฮ> น, นับไปไหวนะ คือไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จะนับยังไงท่านเคยยกอุปมาเป็นกับกับนี่มันขนาดไหนท่านบอกว่าเหมือนกับกำแพงที่สูงกว้างยาวในด่านไรโยต์ทั้งสูงทั้งกว้างทั้งยาวในด่านไรโยต์ถึงร้อยปีมีเอาของเล็กๆขนาดมเมล็ดพันธุ์ประกาศมาโยนลงอันหนึ่งร้อยปีก็มาโยนอันหนึ่ง ร้ปีความยุติธรมสมมติว่ามันไม่สูงหนาไปนะฮะเป็นการสมมุติเอาแม้แต่ว่าเมล็ดพันประกาศจะเต็มพื้นที่เนี่ยกว้างยาวด้านปโยชน์เนี่ยกว้างยาวสูงด้วยนะฮะด้านประโยชน์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับเลยมันเป็นการแสดงถึงการบุญบุญในสังสารวัตรมันอนเนกนันนต์เลย สมัยนี้นะักวิจารณ์สมัยใหม่ก็คงจะคิดถึงเรื่องอายุของโลกนะอายุของโลกมันจะอยู่นานขนาดนั้นเฉยหรือโลกจริงๆเนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้ลสังเกตนะว่าถ้าเรามองย้อนหลังบริบาลสามสามสี่สิบปีเนี่ยความรู้เรื่องโลกเราไม่เคยไกลเท่าไหร่อายุของโลกก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ในคัมภีร์ศาสนาบางศาสนานับจำนวนเป็นพันนั่นเอง ในเวลานี้เราย้อนรอยประวัติศาสตร์จากฟอสซิ้นจากอ ะ, อะไรต่างๆที่ขุดค้นพบมาแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือสามารถวัดได้ในปรากฏว่าโอ้โห อ, อ, อายุโลกมันไปด้วยกันเอาก็จริงเท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบางทีฟอสซิ้นของไดโนเสาร์ไปเจอตั้งเจ็ดร้อยล้านปีแปดร้อยล้านปี ห้าหกร้อยนั่งเลยหาไปแล้วนะไอ้ น, นี้ก็คือแสดงเห็นว่าเอาก็จริงเราไม่ต้องไปยุ่งกับโลกมันเกิดเมื่อไหร่มันไม่ได้แปลกอะไรนะเกิดเมื่อไร่ดับเมื่อไหรเนี่ยแต่ว่าพ ร, ระพุทธเจ้าท่านก็เกิดในยุคฉี่โลกมีมนุษย์แล้วก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นพอเอาเวลามาเทียบเคียงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ในช่วงต่อไปท่านบอกว่าเปล่งวาจาตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะเป็นกิตลักษณะอะไรเท่าไหรหรอกอาจจะคุยจะเพื่อนอาจจะบอกคนนั้นคนนี้อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เวลาผ่านไปถึงเก้าอสงไขยไปเก้าสงไขยมากกว่าเดิมหนึ่งตัวนี้เพราะมันพูดถองวาจามีคนรับรู้มีคนเข้าใจ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ชื่นชมนะส่วนหนึ่งก็คงอาจจะมั่นไส้ธรรมดามนุษย์ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยปรารถนาทั้งด้วยกายแล้วก็ด้วยวาจาคือมีการกระทํามีการเปล่งวาจาแล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าซีอสมไขย ก, กับแสนั่ตัวนี้ทั้งคงยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเรานะเพราะว่าจริงๆในรายละเอียดเนี่ย พระเจ้าในระหว่างที่ยังมาเป็นบรมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกอยู่สองช่วงคือเรียกเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เองก็จะแม่ก็เป็นสองสองกลุ่มใหญ่ะกลุ่มเองก็เรียกว่าอานิจต์โพธิสัตว์คืออาจจะพวกที่อะไรล่ะโพธิเกิดความรู้สึกภายในใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าเปล่นวาจาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้เยอะนะ บรรลเป้าหมายจนขนาดว่าสมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติแปดประการที่เรียกว่าธรรมสมุทฐานตั้งความปรารถนาในสันมาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระงคหนึ่งแดะรับการพยากรณ์ในสัมมาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่นมันจะหายยากมากพรา น, นี้จึงเรียกว่าอนิจจต๊ะไม่แน่ไม่จะได้เป็นพระพทธเจ้าจริงหรือไป แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเครื่องปรบรมีทั้งสมบูรณ์ก็ได้แก่นิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์ก็หมายความว่ามันเริ่มต้นจากที่ได้รับการพยากรณ์ในสํา น, นักของพระพุทธเจ้าพุทธมเหพรมินเนยเดียกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเริ่มเป็นนิยตะโพธิสัตว์ก็ตอนสมัยเป็นสมัยธรรมโนแต่ตอนนั้นก็เรียกเป็นสมัยตาบทนะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมพนามัิถ์ปังกร แต่ว่าจริงแล้วท่านท่านท่านในรับการพยากรณ์แล้วเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยในหลักการในการใช้บางเพบประมีโดยอาศัยคุณธรรมหลักในสามประการคือปัญญาศรัทธาวิ ร, ยริยะทตนพจนศาสนิกชนที่คุ้นกับเรื่องธรรมานี่เราจะเห็นว่าพวกนี้เป็นอินที่นะเป็นอินทีเป็นเรื่องใหญ่ นะในแง่ของการศึกษาในปัจจุบันเขาเรียกว่าความพร้อมมันยังขาดไปสองข้อที่ยิงก็มี น, น, น, นะนะคือว่าสติกับสมาธิจากการใช้เน้นยำ้ำคุณธรรมที่แตกต่างกันทำให้ประโพธิสัตร์ทั้งหลายแบ่งออกเป็นสามประเภท อางพระพุทธเจ้าเราเนี่เรียกว่าปัญญาทิกะคือสมงบำเพ็ญบรมีสี่อสมไขกับอีกแสงกับเทียบกับสามกลุ่มนี่ไม่นานนะนะทียบกับสามกลุ่มไม่นานแต่เทียบกับเราแล้วก็โหเป็นนานมากพระโพธิสัตว์อีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสรัทธาทิกะคือจะเน้นย้ำทิฏฐุศรัทธาใช้เวลาบำเพ็ญบรมีเพิ่มอีกเท่าตัวคือแปดอสมไขกระแสงกับ มีประเภทหนึ่งเรียกว่าวิริยติกะวิริยติกะกือจะเน้นที่ดูวความเพียรพยายามถ้าเวลาสิบปกกระสงไขกระแสนกะก็นี่เป็นเรื่องที่น่าน่าคิดนะฮะว่าอย่างคนเราทํางานด้วยปัญญาทํางานด้วยศรัทธาทํางานด้วยความเพียรเนี่ยถ้าธรรมะเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะนับสนุนส่งเสริมเช่นกันเลยกัน คนที่ใช้ปัญญาเป็นหลักเนะี่ยจะสำเร็จได้เร็วมากกว่าแต่ถ้าความเพียรก็ถูกกากับด้วยปัญญาศรัทธาก็ถูกกากับด้วยปัญญาคือปัญญากากับอยู่นะมันก็โอกาสที่จะสาเร็จก็เร็วขึ้นแต่ว่าในที่นี้ท่านแยกเดียวออไปแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่มันคงจะมีนะคงจะมีด้วยกันเพราะว่าธรรมะมันคยื่นอันเดียวไม่ได้หรอก คือก็่อไปทั้งชุดกุศลเกิดกุศลเราอื่นก็คิดสนับส น, นุอนอกุศลจนลังข้างก็จะค่อยค่อยจางคลายลงไปโดยลำดับนี่ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าทูเร น, นิธานก็เรื่องไกลลิบล้นพ้นที่จะประมาณได้ต้งฟังทางไหน ใต้ร่มพรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเทมนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพรบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี